บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนายาแห่งจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามลึกดูจิตในตอนต่อไปนั้นทรงสอนว่าเมื่อจิตถึงความเป็นมหกตะก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเราเป็นมหกตะ จิตที่เป็นมหกตะนั้นก็คือจิตเป็นใหญ่ที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนตอนหนึ่งจิตประเภทนี้ท่านจัดกลุ่มเอาไว้เป็น3มกลุ่มธรรมะด้วยกันกลุ่มแรกถือว่าเป็นกลุ่มพื้นฐานของการบำรุงชีวิตสำหรับปุคคลโดทั่วไปคืออยู่ในวิสัยที่ผู้สนใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมะสามารถสัมผัสจิตระดับนี้ได้ นั้นคือจิตที่ประกอบด้วยพรหมบีหารธรรมทั้งสประการที่ถือว่าเป็นเครื่องดูของใจหรือเป็นหลักใจของบุคคลทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยูดด่ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นโดยสมควรแก่ฐานะแก่ตำแหน่งของตนพรห ม, มิหารธรรมที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นภายในใจได้ในส่วนของเมตตา เมื่อบังเกิดขึ้นจะเป็นใหญ่เหนือกว่าอกุศลไธรรมประเภทที่เป็นความรักความใคร่ความกำหนัดจินดีเที่ยสัยรูปธรรมเป็นตัวกำหนดและตัวการที่สำคัญก็คือจะอยู่เหนือความโกรธความอาฆาตพยาบาท ล, ลักษณะของธรรมะที่เป็นกุศลกับอกุศลนั้นไม่มีลักษณะร่วมกัน เมื่อควายหนึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอีกควายหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นไม่ได้สาปเท่าที่ควายหนึ่งยังมีอยู่ในส่วนกรุณาคือความสงสารต้องการจะเห็นคนอื่นสัดอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ยามที่เขาประสบความทุกข์นั้นเมื่อเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของบุคคลใดเวลานั้นกิเลสที่ตรงกันข้ามกับกรุณาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือลักษณะของสิเนหาได้เกิดความเจ้าใจความกระตินดีโศกะความเศร้าโศกและหวิหงสาความรู้สึกเบียดเบียนก็จะส ง, งบระงับดับไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพรนี้เพิ่งสังเกตว่าลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยวิหิงสาคือความบียดเบียนนั้นส ง, งบอยู่ภายในใจของบุคคล ละมักจะแสดงออกมาแม้ด้วยการเหนียวนึกของบุคคลนั้นเพื่อแสดงออกมาเมื่อประสบกับอารมณ์ภายนอกมีตาไเห็นลูกเป็นต้นโดยต้องการเห็นความรุนแรงความพิบัติความพินาศของบุคคลของสัตว์เราอื่นลักษณะความรู้สึกเหล่านี้พึงสังเกตว่าแตกต่างกับพยาบาทพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการจะทําลายอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ ฝ่ายหนึ่งทำให้ตนไม่พอใจหรือโกรธหรือประทุสร้ายกันแล้วแต่วความโกรธนั้นยังไม่หายไปจากใจก็เกิดพยาบาทจิตก็เหนียวนึกถึงอารมณ์หล่านั้นขึ้นมามุ่งให้เกิดความพิบัติแก่ฝ่ายตรงกันข้ามกับตนแต่ลักษณะของวิหิงสาเป็นความสับสนทางใจของบุคคลเองเพราะว่าคนและสัตว์ที่ตนมุ่งความพิมพมุ่งความพินาศความเดือดร้อนนั้น ไม่ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรให้เกีดตนเนื่องจากใจที่ถูกวิหญิงสาข้ามาปรุงแต่งทำให้นึกคิดต้องการถึงความิทุกขเดือดร้อนของคนของสัตว์ทั้งหลายในข้อนี้โดยหลักของการปฏิบัติแล้วตั้งฝ่ายที่เป็นอกุศลบางเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในรูปของการบันเทาเกือบุคคลมองเห็นว่า ความพยาบามก็ดีความเบียดเบียนกันก็ดีเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นภายในจิตใจของตนมองเห็นโทษแล้วก็พยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นาการกระทําในลักษณะนี้เป็นการเปิดโอกาสกว้างสําหรับผู้สนใจในธรรมทั้งหลายื็จะทํามื่ไรก็ได้ในโอกาสไหนก็ได้เพียงแต่ให้มองเห็นโทษของความพยาบามความเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นภายในใจ ก็ให้สงบระงับลงไปแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็อาจจะเพิ่มภูนเหตุผลคุณธรรมขึ้นภายในใจของตนโดยการศึกษาจากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกความพยาบาทความเบียดเบียนครอบงำใจและแสดงออกมาเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนและแก่บุคคลอื่นมองเห็นโทษความเดือดร้อนที่บุคคลเหล่านั้นได้รับแล้วจะมีการสารวมระวังตนเอง คือไม่ปล่อยให้ความรู้สึกในแนวนั้นเกิดขึ้นครอบนาใจใจในขณะนั้นก็จะเข้าถึงความเป็นมาระะ์กตาคือเป็นใหญ่เหนือกิเลสทั้งสองชนิดนั้นในกรณีของมูติตาคือความพร้อมชื่อปล่อยชื่นชมยินดีเมื่อเห็นบุคคลอื่นสัอื่นประสบความสุขความเจริญได้ดีมีสุขเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะทาหน้าที่ส ง, งบความรู้สึกริษยาคือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้ ลักษณะความรู้สึกเหล่านี้เป็นการเกาะกลุ่มของโลภะกับโทส ะ, ะตามปกติคนเราที่ไปริยษยาคนอื่นนั้นเมื่อวิเคราะห์ตรวจสอบถามใจตนเองดูวิเคราะห์ใจตนเองก็จะเข้าใจใจใจตนเองในทันทีว่าแท้จริงแล้วเราอยากได้สิ่งเหล่านั้นใชเองเราต้องการเป็นเองต้องการมีเองต้องการได้เองเมื่อเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นคนอื่นไปได้ไปมีมไปเป็นข้าวเราก็เกิดความริยษยาขึา้นเขา เมื่อคิดได้เมื่อคิดเช่นนี้แล้วโมหะก็จะถูกบันเทาประบางให้ไปจากจิตใจเมื่อโมหะบันเทาความโลภความโกรธก็บันเทาตามไปใจก็จะอยู่ด้วยมุติตาจิตได้และในส่วนที่ลึกซึ้งลงไปอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีความรู้สึกประเภทหนึ่งคือต้องการมีส่วนร่วมกับการได้ดีมีสุขของบุคคลผู้นั้นในชั้นของการใช้เหตุผลจิตใจของบุคคลใช้เหตุผลได้สูงขึ้น แต่ในแง่ของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังเป็นโลภะหรือความโลภอยู่แต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ต้องการมีส่วนร่วมอะไรในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นแต่ก็พร้อยชื่นชมยินดีต้องการให้เขาอยู่อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะที่เขาได้ที่เขามีตึกกั เ, เป็นอยู่นั้นก็ชื่อว่าเป็นมุติตาที่สามารถอยู่เหนือความริษยาที่เกิดขึ้นได้ส่วนความรู้สึกที่ประกอบด้วยอุเบกขาที่แปลว่าความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อคนอื่นประสบความผิบัติครานี้เพิ่งสังเกตลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลทั้งหลายว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ายังมีกิเลสอยู่เวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์จะมีความรู้สึกเป็นสามแนวด้วยกันคือพอใจไม่พอใจและเฉยๆในกรณีพอใจก็ไม่พอใจนั่นเองเมื่อมีการสะสมความรู้สึกทั้งสองแนวนี้มากยิ่งขึ้น ก็จะมีการกําหนดคนเป็นพวกเรากับไม่ใช่พวกเราหรือเป็นมิตรเรากับเป็นศัตรูเราก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการกําหนดแต่บุคคลทั้งสองประเภทนั้นก็เป็นสังขารือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารธรรมทั้งหลายพบุคคลเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกยินดีและยินร้ายก็จะเกิดขึ้นแต่เป็นความยินดียินร้ายซึ่งผิดกับการกําหนดในคราวแรก การกำหนดในคราวแรกนั้นคนที่เราชอบเราก็ยินดีคนที่เราชังเราก็ยินร้ายคือไม่ไม่พอใจแต่ว่าเวลาอีกฝ่ายหนึ่งอีกสองฝ่ายนั้นประสบความพิบัติจิตมันเปลี่ยนคือไปเกิดเสียใจยินร้ายเมื่อคนอันเป็นที่รักของตนต้องประสบความพิบัติเกิดยินดีชื่นชมโสมนัสเมื่อคนที่เป็นศัตรูของตนประสบความพิบัติที่เพสังเกตว่าจิตเปลี่ยนทาง ในการกำหนดบุคคลในการาระลึกถึงบุคคลตอนแรกคนที่เราชอบเราก็ยินดีคนที่เราชังเราก็ยินร้ายพอคนสองขวายประสบความพิบัติคนที่เราชอบเราก็ยิ น, ยนร้ายคนที่เราชังเราก็ยินดีเรื่งจิตทั้งสองอย่างนั้นก็หักออกนอกธรรมะทั้งหมดเลยพระรพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลทำใจเป็นกลางที่เรียกว่าอุเบกขา คือทำใจให้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการประสบความพิบัติของบุคคลทั้งสองขวายตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะนั่นคือสัจธรรมแ่งสังขารทั้งหลายที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการจะไปซ้ำเติมคนที่เราไม่ชอบเป็นการเพิ่มกิเลสให้แก่ตนเองการไปท่าโศกเสียดายต่อบุคคลที่เราชอบ ต่มิตต่อสาขายก็เป็นการวระทุษร้ายใจตนเองเพราะไม่ได้เกิดผลดีอะไรแก่บุคคลเหล่า น, นั้นในกรณีนี้ก็ทรงสอนให้บุคคลทําจิตมัธยัติอยู่ในถ้ำกลางที่เรียกว่าพิจารณาตามหลักของกา ร, รมัศกตาญาณในการมองเห็นการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยใครทํากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ตัวการสำคัญก็ต้องอยู่ที่การมองให้เห็นความไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความยินดีและความยินไร้ายในความพิบัติของบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าใจยังไม่ยอมรับความจริงในส่วนนี้ความยินดียินไร้ายก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อความยินดียินไร้า ย, ยังมีอยู่อุเบกขาก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกา นาวิสาขามหาอุบาสิกานั้นเป็นพระอริยสาวกระดับโสดาบันบุคคลท่านมีเป็นคนมีลูกหลานมากมีลูกถึงยี่สิบลูกแต่ละคนก็มีลูกกันคนละยี่สิบแสดงว่ามีหลานเป็นร้อยๆพราะหนึ่งหลานท่านตายลงไปท่านร้องไห้เสียใจมาฝ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้ารับสั่งถามม่าเธอคิดอย่างไรเธอต้องการจะให้เธอมีหลานสักกี่คนกันแน่ <c oughs> นางก็เรียนถวายว่ากระบทูนถวายว่าต้องการจะให้มีหลานมากเหมือนกันคนในเมืองสวรรค์ทีเดียวในความรู้สึกเหล่านี้จะเห็นได้ว่านันเกิดขึ้นด้วยความเมตตาหรือมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นแต่ในจุดของเมตตาก็ไม่ใช่เรื่องความเสียหายแต่ว่า บุคคลสัตว์ที่เราใช้เมตตาก็เป็นสังขารซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตา ม, ตามกฎธรรมดาของสังขารเช่นที่กล่าวแล้วเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปใจจะต้องปรับใหม่ไม่จะไปอยู่ที่เมตตาอย่างนั้นจะต้องปรับมาอยู่ที่อุเบกขาให้ได้ดังนั้นพระผู้มีพระาจา้าจึงทรงสอนในแนวที่ให้ปรับจิตมาอยู่ที่จุดของอุเบกขาเพราะสุดปัญดาสุดกําลังที่จะไปแก้ไขความเปลี่ยนแปลงของสังขารเหล่านั้น ก็ต้องปรับจิตให้มาอยู่ได้พระเจ้ารับสั่งว่าคนในเมืองสาวัตถีนั้นก็ตายกันวันละกี่คนนางก็กราบทูลถวายว่าตายวันละหกคนบ้างเจ็ดคนบ้างแปดคนบ้างหรือสิบกว่าคนบ้างพระเจ้าก็รับสั่งขมวดปมให้นางได้คิดว่าถ้าลูกหลานของเธอมีเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีแล้วก็แสดงว่าเธอต้องร้องไห้มีหน้านองด้วยน้ําตาตลอดระยะเวลา ที่ลูกหลานเหล่านั้นตายไปไม่ใช่หรืนางวิสาขาท่านก็คิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วจิตใจของนางก็ต้องเศร้าโศกอยู่ตลอดการดำเนิ น, นตอนนี้ท่านนั้นขึ้นอยู่กับการปรับใจของบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้กรรมธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเจน็นได้ว่าลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยเมตตาปรุณาวมุติตาเบขานั้นไม่ใช่อยู่ในจุดเดียว แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสมควรแก่บุคคลและลักษณะทางอารมณ์เพราะถ้ายัางเกาะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจะไม่เป็นธรรมะไปแต่จะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นพวกประกินกาทุกข์หรืออาจจะเป็นพวกอกัคติแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะรักษาจิตให้อยู่ในกรอบของธรรมะได้เสมอไปจะในกรณีของการตั้งเมตตาปรานาที่เห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเว้นไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทัสสายกันเป็นต้น แต่เมื่อคนสัตว์เหล่านั้นยังมีการเบียดเบียนยังมีการปฏะ ส, สระไรกันจบจะจะอยู่ที่เมตตาไม่มได้ในกรณีนั้นในอารมณ์นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่อุเบกขาพิจารณาเห็นกฎของกรรมดังที่กล่าวแล้วหรือในกรณีที่ต้องการจะช่วยเหลือบุคคลอื่นสัตว์อื่นดูดพ้นจากความทุกข์ได้ใช้กําลังความเพียรความพยายามเต็มตามศะสามารถแพตั้งความปรารถนาก็แล้วช่วยทางกายทางวาจาก็แล้วแต่คนเหล่านั้นยังประสบความพิบัติอยู่ ถ้าเราขืนอยู่ที่กรุณาต่อไปจะไม่เป็นกรุณาแต่จะเป็นโศกะแล้วจะเป็นความเศร้าโศกความแห้งใจความเสียใจความโทมนัดใจใจไม่เป็นธรรมะ ก, ก็ร้อนพระพุทธเจ้าก็สอนให้หลบมาอยู่ที่อุเบกขาอีกเพื่อพิจารณาตามกฎของกรรมอีกด้วยในกรณีที่ไปเกิดพรอยชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นแต่ถ้าหากว่าในขณะที่เรามีความชื่นชมยินดีกับเขาอยู่นั้นเอง เขาไม่เป็นไปตามที่เราชื่นชมจริงๆว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในด้านฐาหนหในด้านทรัพย์สินในจิตใจเขาหาความสงบไม่ได้มีความเดือดร้อนเปนสิ่งเหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามยังไงเราก็แก้ไขไม่ได้เราทรงสอนให้ปรับจิตอยู่ด้วยอุเบกขาพราอุเบกขาจึงเป็นฐานสงบของจิตใจที่จะมีการทําใจของตนให้ก้าวเดินไปถึงสิบจุดด้วยกัน โดยใช้คําอย่างเดียวกันไม่เรียกว่าอุบเบกขาเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของใจที่มัธยัุอยู่ในถ้ำกลางไม่หักไปทั้งความยินดีและความยินร้ายซึ่งเป็นลักษณะปกติทางอารมณ์เมื่อใจอยู่ด้วยอุบเบกขาได้ก็ไม่ตกไปทั้งทางยินดีและทางยินร้ายความสงบก็บังเกิดขึ้นแก่จิตใจข้างบนการปฏิบัติโดยไ n ยะนี้จึงไม่มีรูปแบบดังกล่าวแล้วแต่ใช้ใโอกาสอะไรก็ได้ ก็สำคัญว่าให้ใช้ธรรมะให้ถูกต้องตามสุงควรแกลักษณะของอารมณ์ของบุคคลของสัตว์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั้นเองมากตจิตระดับหนึ่งนั้นที่จริงก็เป็นเรื่องของพรหมิหารทั้งสี่ประการนั่นเองแต่ขายายปริมาณของเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาออกไปนันเรียกว่าอัปปมัญญาคือสร้างความรู้สึกเมตตา ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มเบียดเบียนกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่ได้กําหนดว่ากลุ่มนั้นบุคคลนั้นพวกนั้นเพื่อนเราญาติเราคนในประเทศเราแต่จะเป็นการมองสัตว์ทุกชีวิตซึ่งตามปกติบางครั้งกานใช้คําว่าสัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นการสร้างความรู้สึกต้องการที่จะเห็นเช่นนั้นแน่นอนความรู้สึกในลักษณะนี้ ในแง่ของการสร้างความรู้สึกแพร่ไปบุคคลจะพบว่าใจจะสะดุดไปสะดุดที่ไหนไปสะดุดที่คนซึ่งเราไม่ชอบแล้วเกิดปฏิฆะไปสะดุดที่คนเราชอบแล้วเกิดราคะก็หากไปออกกิเลสอีกสองทางอีกดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยรับสั่งในแนวของอภปัญญาแต่จะรับสั่งในแนวของพรหมิหารเสียก่อน เปิด จ, จิตใจของบุคคลมั่นคงกระจายตัวเองได้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นภายในจิตพอที่พอที่จะเผือแผ่ความรู้สึกเหล่านั้นให้กระจายออกไปจนมองเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันอย่างจริงๆไม่จะเห็นด้วยภาษาอักษรเห็น ด, ด้วยการสวดร้องท่องบทหรือการสาธยายแต่เป็นการเข้าถึงด้วยใจจริง ข้อนี้บุคคลสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของจิตหรือความความมีและความให้มีธรรมะเหล่านั้นภายในจิตใจของตนเองได้อย่างในกรณีที่เราไปในสถานที่ต่างๆมีความรู้สึกเป็นมิตรเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายทั้งๆที่ไม่รู้จักมักคุณอะไรกันทั้งทางที่ต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์กันทั้งทางที่บุคคลเหล่านั้นบางครั้งก็ทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ละแต่ว่าใจมีหลัก มั่นคงแข็งแรงมากกว่าเดิมพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะอยู่ด้วยเมตตาเป็นอัปปมัญญาต่อบุคคลแล้วด้ได้เมตตาประเภทเมตตากรุณามมติตาอเบขับประเภทนี้เป็นธรรมอาวุธคืออาวุธได้แก่ธรรมะอีกประการหนึ่งซึ่งสามารถขจัดพยาบาทขาจัดความเบียดเบียนขจัดความริษยา ให้จัดความยินดียินไร้ให้ออกไปจากกิจใจจนถึงมากและสิ้นเชิงในที่สุดถึงนั้นก็เป็นจุดปุ่งหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติในกรณีที่เป็นธรรมาวุฒนั้นท่านเล่าไว้ในตัวคาถาพระธรรมบวว่ารกักบุมหนึ่งได้ไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าแห่งหนึ่งถูกอมนุษย์รบกวนจนสูญเสียสมาธิไม่สามารถปฏิบัติได้ ในที่สุดก็ต้องกลับมาคว้าพระพุทธเจ้ากลาบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระผูมีพระภาครับสั่งว่าให้ไปในที่เดิมอีกท่านเหล่านั้นก็ไม่ยอมไปบอกว่าไปก็ทำกรรมฐานไม่ได้เพราะถูกอมนุษยรรร์รบกวนด้วยกันพระเจ้ารับสั่งให้ทราบว่าเธอไปคราวแรกมันไม่ได้มีอาวุธไปแต่คราวนี้เราจะให้อาวุธไปเรียกว่าทำอาวุธอาวุธกือธรรม และทรงแสดงธรรมอันเป็นหลักการปฏิบัติตนเป็นอนเนกจนมาถึงจุดหนึ่งคือการสร้างความรู้สึกต่อบุคคลอื่นนั่นก็คือการสร้างความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุิญาอุเบกขาอันแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่กำหนดชิศทางไม่กำหนดเพศพันไม่กำหนดกำเนิดของสัตว์ตนนั้นจะเป็นสัตว์สองเท้าสีเท้ามากเท้า แล้อยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเบื้องบ น, บนเบื้องตามก็ตามสร้างความรู้สึกที่เป็นกัลยาในจิตมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตามือเบียขาต่อบุคคลเหล่านั้นต่อสัตว์เหล่านั้นต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เรียกว่าไม่มีประมาณจะ ห, หากําหนดไม่ได้ลักษณะความรู้สึกเหล่านี้จึงผิดกับแนวของพรหมิหารพรหมิหารเป็นการเจาะจงไปในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่พอถึงจุดหนึ่งก็กระจายออกไปในลักษณะที่ไม่มีประมาณเหมือนกันแสดงว่ามีความเข้มข้นแห่งธรรมะสูงขึ้นไปในใจธรรมะคือเมตตากรุณาเป็นต้นนั่นเองแต่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอกาสเล็กๆน้อยๆของกิเลสไม่ว่าจะเป็นรูปของกรารมารคะรูปของความ ร, รักรูปของความกำหนัดรักใคร่ ย, ยินดีรูปของความพยาบาทรูปของความโศกรูปของความจินตนาหรรูปของความ เบียดเบียนเป็นต้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรือบางครั้งบางคราวมาเป็นภาพลวงตาลักนาะของภาพลวงตานั้นจะสังเกตได้่าช่นบางครั้งบางคราวเรามีความรู้สึกเมตตากรุณาต่อสัตว์ในขณะนั้นคล้ายๆจะเมตตาจริงคล้ายๆจะกรุณาจริงแยกอะไรไม่ค่อยออกการที่จะแยกให้ออกนั้นก็ต้องดูเวลาสัตว์เ่านั้น กเกิดเป็นโรคสมมติก็าเปื่อยเป็นโรคมีกลิ่นเหม็นสกรปรกหน้าใสอิสเอียนขยะขยงและจิตเปลี่ยนเป็นกรุณาคือช่วยบำบัดขจากความทุกข์ให้แกสัตว์นั้นได้แสดงเห็นว่าในขณะนั้นใจ ย, ยังมีธรรมะทั้งเมตตาและกรุณาอยู่แต่บางครั้งไม่เป็นเช่นหนึ่งอาจจะรู้สึกปฏิเสธหรือไล่หรือทุบตีสัตว์เหล่านั้นให้ออกไปจปน รู้สึกรังเกียจขยะแขยงทั้งทั้ ง, ท, งที่สัตว์ตัวนั้นเองในขณะหนึ่งก็คือมีเคยมีเมตตากรุณาอยู่แต่พอร่างกายแกเปลี่ยนแปลงไปใจก็กลับเป็นไม่ชอบหรือชิงชังแก่แลักษณะเหล่านี้เป็นเพียงมายาเป็นภาพลวงตาที่บุคคลอาจจะเข้าใจว่านั้นคือเมตตากรุณาแท้แท้จริงแล้วเป็นสินเนหาเป็นความเชื่อใจที่อาศัยรูปธรรมความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เหล่านั้นเป็นตัวกําหนดเท่านั้นเอง ลักษณะเหล่านี้ถ้าให้สังเกตก็ดูไม่ค่อยออกแต่เมื่อจิตใจของบุคคลมีความสงบมากขึ้นปริมาณของธรรมะ ส, สูงขึ้นก็จะแยกความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็แก้ไขทางใจของตนว่าควรจะดําเนินควรจะเดินไปในลนักษณะอย่างใดในเรื่องของความกรุณาเรื่องเรื่องของเมตตานั้นคือการแผ่ไปโดยไม่กําหนดทิศทางไม่มีประมาณต่างๆล นั่นคือลักษณะการสร้างความรู้สึกแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งหลายที่มีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่อยู่ที่ในพุทั้งสามการมาพบรูปประพบอรูปประพบที่ใช้ในบทกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศล น, นั่นเองแต่ว่าในบทกรวดน้ํานั่นเองเป็นกรรมฐานเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวว่าขั้นใดจะเป็นกรรมฐานก็คือขั้นที่เข้าถึงใจจริ ง, จรงใจจะสงบอยู่ด้วยเมตตากรุณา ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลเท่านั้นเช่นคนที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เพราะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของแกแกมีลักษณะเรียกราดรุนแรงแสดงออกมาลักษณะหยาบคายร้ายกาจต่เงตนางตาหากว่าใจไม่มั่นคงแทนที่จะเป็นกรุณาจะกลายเป็นโทสะขึ้นมาถ้าใจมั่นคงจริงๆแล้วก็จะ ก, การุณาการุณาอยู่อย่างนั้นโดยไม่กําหนดว่าคนนั้นแกจะเลวร้ายอย่างไรก็ตาม ลักษณะเหล่านี้พึ่งดูเห็นได้อย่างเด่นชัดได้แก่กรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นกรุณาอย่างแท้จริงไม่มีอย่างอื่นจุกเจอืเจ อ, เจอปนอยู่ในความกรุณาเหล่านั้นนั่นคือความรู้สึกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ต้องการจะช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายอันได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนบางครั้งบางคราวบุคคลสัตว์เหล่านั้นมีการกระทําอะไรที่รุนแรงต่อพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังอยู่ด้วยความกรุณาต่อคนตรอสัตว์เห่านั้นความกรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้คนที่เป็นศัตรูคือพระเทวทัตที่มุ่งจองล้างจองผ่านพระองค์มาได้รับรองยืนยันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้มีพระทัยเสมอจริงๆคือกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเสมอเหมือนกันหมดไม่ได้ยกเว้นว่าจะเป็นใครบุคคลสัตว์ที่พระเทวทัตยกตัวอย่างมาว่าพระพุทธเจ้ามีกรุณาเสมอกันนั้น คือนายขมังฉันูที่พระเทวทัตจ้างให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าจ้างนาลากิรีที่พระเทวทัดมอมเล่าให้มาแทงพระพุทธเจ้าโจนุงคุลิมานที่ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัดที่จองล่างจองพรานพระพุทธเจ้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่เป็นราชกุมารมาจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและในพระราุนซึ่งเป็นพุทธกิโนโอรสพระพรมรัชกาลมีความกรุณาเสมอกันไม่ได้แยก เป็นคนเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่ควรแ ก, แก่การกรุณาทั้งหมดไปเลย น, นี่คือลักษณะของใจที่แผ่ไปโดยไม่มีประมาณในคนในสัตว์ทั้งหลายมุติตาก็เป็นเช่นเดียวกันรู้ข่าวได้ยินเรื่องราวใครประสบความเจริญก้าวหน้าคือแทนที่จะมีโลภว่าแหม้ถ้าเราด้านเดินคนดีแต่เราจะไม่มีโลภคือพลอยชื่นชมยินดี ในลาบผลในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลเหล่านั้นโดยที่เราก็ไม่รู้จักมักจีอะไรกันก็อาจจะอยู่ในส่วนอื่นของประเทศหรืออาจจะอยู่ในส่วนอื่นของโลกเลยซ้ำไปใจที่ประกอบโดยเบิกขาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันด้วยกนณีจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวด้วยการเอื้อมของอารมณ์หรือการเอื้อมของใจแห่งบุคคลทั้งหลายนั้นได้นาเรื่องไกลามา วิตกกังวลเดือดร้อนกันไปด้วยประการต่างๆมีข่าวคราวเหตุการณ์สงครามอะไรตระเนี่ที่เกิดในส่วนต่างๆของโลกก็นํามาโทรมนัดเสียใจวิตกกังวลไปนี่คือการเอื้อมของอารมณ์แต่ใจที่ประกอบด้วยเบกคาแล้วจะไม่นําเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ในลักษณะนั้นถ้ามีการรู้มีการได้ยินข่าวเรื่องราวเหล่านั้นก็จะพิจารณาในกฎของกรรมในมุมที่กว้างขวางออกไป และในขณะเดียวกันก็ดึงเรื่องเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเองเพราะถ้าหากว่าตนเป็นฉนั้นก็จะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในลักษณะนั้นและใจก็จะมัธยจิอยู่ในถ้ำกลางการปฏิบัติในแนวนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับพรหมวิหารเพราะเป็นการแผ่ไปเพิ่มขึ้นของเมตตากรุณามุติต า, าวเบขาท่านั้นจึงไม่ได้กาหนดการลาเทสะแต่กาหนดกลุ่มบุคคลเอาไว้ ว่าเมตานั้นใช้ไปในสัตว์ทางหลายจากต่ะจงจนไม่มีกำหนดคือไม่มีประมาณบุคคลเดล่านั้นกรุณานั้นใช้ไปในกรณีของสัตว์ผู้ประสบความทุกข์ความทุกข์ในแง่ของธรรมะระดับนี้ก็คือการสร้างความรู้สึกต้องการที่จะเห็นกขหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ในแง่ของธรรมะในชีวิตประจําวันทุกอย่างจะต้องเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาได้ไม่ได้แสดงเฉพาะจิตใจอย่างเดียว ดัามุทิตาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสร้างความรู้สึกในลักษณะที่ร้อยชื่นชมยินดีแก่สัตว์โดยไม่มีประมาณในที่สุดซึ่งจะอยู่ในย บ, บดีใดก็ได้ไปในยานคณะอย่างไรก็ได้เบขาคิดถึงกฎแห่งการอยู่เสมอเป็นหลักคุ้มครองใจการปฏิบัติโดยนยายนีตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่เมตตาคือถ้าเมตตาเดินได้เรารับ ลองสถานะของคนของสัตว์ทางหลายว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บ ร, ร่วมตายด้วยกันได้แล้วเวลาเขาเดือดร้อนก็กรุณาได้เวลาเขาได้ดีก็มุติตาได้เวลาเขาประสบความพิบัติก็อุเบกขาได้ที่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยนิยติกาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป